อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ญาติหลังจากไปจะทาโดยไพจิตงามสุริยพงษ์อนนบลีลามณีอันนี้ไม่ใช่การฝึกแล้วแต่เป็นการลงมือทำจริงกับของจริงเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาจริงๆหลังจากร่างกายของญาติหยุดทำงานตัวเขาไม่กลับฟื้นขึ้นมาอีกแน่ๆ ภายนอกคุณจะรับรู้เหมือนคนทั่วไปคือเขาตายแล้วและคุณอาจเหมือนคนทั่วไปที่ยังไม่หมดกิเลสคือร้องห่มร้องไห้หรือกระทั่งรำพันอย่าให้เขาเติ่นขึ้นมาร่วมประสบการณ์ดีๆด้วยกันอีกแต่ภายในของคุณจริงๆนั้นจะรู้สึกว่าสายใยความผูกพันอันสว่างเย็นกว้างขวา ง, วางระหว่างคุณกับเขามิได้ลองหนหายตามตัวเขาไปไหนเลย คุณจะรู้สึกว่าทะเลบุญที่ร่วมกันทายังคงอยู่และสามารถจับต้องได้ด้วยใจความผูกพันจะปรุงแต่งจิตให้เหมือนใกล้กันนิดเดียวแค่เอื้อมสัมผัสทางจิตวิญญาณอันเต็มไปด้วยความสว่างแจ้งจะปรุงแต่งให้คุณไม่รู้สึกกลัวต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับญาติซึ่งข้ามไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งแล้วกลางวันแสกๆหรือยามดึกเดือนเที่ยงคืนก็ตาม หากช่วงสองสาวันแรกคุณไม่อยู่ในภาวะที่เอื้ออำนวยให้นั่งสมาธิเจริญสติเพราะยังโศกเศร้าอะไรรักคิดถึงเขาหนักหนาจริงๆก็อาจใช้วิธีออกไปทำสังฆทานหรือปล่อยสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีกจะมีผลช่วยได้มากกล่าวคือเมื่อปล่อยนกปล่อยกาให้บินขึ้นฟ้าลองอธิษฐานขอให้ความโศกเศร้าอะไรของคุณหลุดลอยขึ้นฟ้าตามไปด้วย และขอให้บุญอันเกิดจากการต่อชีวิตหรือให้อิสระแก่นกกาจงบอยบินไปถึงใจ ญ, ญาติด้วยคุณจะรู้สึกดีขึ้นอย่างรวดเร็วในการบำเพ็ญบุญกุศลแต่ละครั้งให้ทำเหมือนกับเมื่อครั้งที่ญาติยังมีชีวิตทุกประการอย่าคิดว่าเขาตายแล้วจะมีอะไรให้ทำแตกต่างไปยิ่งคุณรู้สึกว่าทำเหมือนเดิมมากขึ้นเท่าไหร่ใจจะยิ่งสัมผัสสัมพันธ์กับญาติได้ชัด ราวกับยังมีชีวิตมากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่ต่างไปและคุณน่าจะสัมผัสได้คือพอสัมผัสกระแสจิตของเขาจะรู้สึกถึงความไม่เหมือนเดิมบางประการจิตของเขาดูสว่างขึ้นเนียนนานขึ้นและไม่กลับไปกลับมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเศร้าง่ายเหมือนเมื่อครั้งยังมีชีวิตเป็นมนุษย์ที่เป็นเช่นนั้นรกระแสจิตและกระแสความรู้สึกแบบเทพ มีรัศมีสุขกว้างขวางอีกทั้งบนโน้นไม่มีเรื่องให้ต้องโศกเศร้าพอเริ่มคุณคุณอาจรู้สึกถึงภาวะของญาติที่ยิ่งใหญ่เกินตัวคุณไปมากและญาติจะทำบุญใหญ่ในระดับที่จิตชนิดนั้นพลอยปลืม้มกล่าวคือคุณอาจต้องมั่นคงในการบำเพ็ญสมาธิและเจริญสตินับเดือนเขาถึงจะรู้สึกว่าคุณยกระดับขึ้นจริงบ้างสมน้าสมเนื้อ พอที่คุณจะอุทิศให้แล้วอยากลืมตามไม่ใช่เห็นทำแค่ครั้งสองครั้งก็ลืมมากเหมือนอย่างตอนเป็นมนุษย์อยู่แต่นั่นก็ดีที่จะเป็นพลังผลักดันให้คุณมุมานะในการบำเพ็ญบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่หยุดอยู่หรือนึกว่าทำมามากแล้วเพียงพอแก่การประกรันสวรรค์แน่แล้วขอให้จำไว้ว่าบุญที่ทำสำเร็จแล้ว เหล่าเทวดานางฟ้าปล่อยร่วมยินดีด้วยอย่างเต็มใจทุกครั้งนั้นก็คือบุญที่ขัดกลากิเลสได้จริงหรือยกระดับจิตวิญญาณของคุณได้สักนิดหนึ่งซึ่งก็หนีไม่พ้นการทำสังฆทานกับพระดีการรักษาศีลได้สำเร็จการสวดมนต์ทำสมาธิเจริญสติหากยังมีความสม่ำเสมอในการเผื่อแผ่ความสว่างไปให้ญาติคุณอาจสัมผัสถึงความสว่างอย่างแปลก โดยเฉพาะที่ผุดขึ้นระหว่างนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเจริญสติซึ่งคุณอาจแยกออกได้ว่าเป็นของภายนอกเป็นพลังความสุขความนุ่มนวลอย่างใหญ่จากเบื้องบนก่อให้เกิดความรู้สึกแสนดีและนั่นแหละคือประสบการณ์ตรงที่คุณจะได้รับจากสวรรค์ชั้นฟ้าไม่พึงคาดหวังการติดต่อแบบตรงไปตรงมาถ้าญาตของคุณ เห็นว่าทำได้ไม่เหลือวิสัยเขาจะทำเองหรือถ้าระดับสมาธิของคุณแจํมจ้าพอจะสัมผัสความเป็นทิพย์ได้อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งการฝันถึงญาติอา จ, อาจเกิดขึ้นแต่ภาวะฝันไม่ใช่เครื่องประกันว่าสิ่งที่คุณเห็นนั้นญาติของคุณมาจริงหรือเกิดจากการเล่นตลกของจิตที่ปรุงแต่งไปเองกันแน่ ถ้าจะเชื่อขอให้เชื่อสัมผัสในยามตื่นเต็มนับว่าชวนให้เกิดความเชื่อมั่นได้มากที่สุดเสียงอ่านหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านฉบับเกิดใหม่ในสวรรค์ ผลงานต่อยอดจากฉบับดั้งเดิมเพื่อให้ตาสว่างบนทางเทวดาจากหลักฐานในตัวคุณงานเขียนโดยดังตรินสนใจเป็นเจ้าภาพร่วมในการผลิตสื่อธรรมชุดต่อๆไปโปรดติดตามได้ที่ Facebook โจโฉเสียงธรรมหรือติดต่อสอบถามติดตามดาวน์โหลดดูได้ที่เว็บไซต์หลักคือโจโฉดอนะครับ ขออนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมนอกเหนือไปจากที่อ่านไว้ในตอนต้นของแต่ละเรื่องอีกดังนี้นะครับรอบครัวโถสกุลอากิราแซ่เตอร้อยเอกคุริวัตรรำพึงกิตทนายยวงสุวรรณรอบครัวชัยรัตน์ทัตตะพลชวีรัมมาลัยฝาสันเทียปริศดาปริทิช่วยรอบครัวสุชาติธรรมมิมินตรรัตอรยนุมาตรรัตนสุดาคงสุวรรณ และขออนุโมทนากับผู้ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับสับภาาัทนางธรมมะธนังจินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง